เรามาเกิดในโลกนี้เพื่อมาสร้างบารมีไม่ใช่ว่ามาเกิดเล่นเกิดมาสเสวงหาความสุขสนุกชั่วคราวไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนเราอาศัยบุญบารมี นำดวงจิตนี้ให้พ้นจากทุกไปโดยลำดับอย่าให้มันว่าคล้องอยู่ในรูปทำนามทำอันนี้ความหมายนะให้เข้าใจแต่ว่าจิตใจที่มันไม่รู้มันก็ห่วงนามรูปนี้เองอไม่อยากพัดภาคจากกันและจิตก็ไม่อยากพัดภาคจากกาย อันร่างกายเนะี่ยมันก็ไม่ว่าอะไรมันสำคัญที่จิตต่างหาก <c oughs> ถ้าจิตฉลาดมันก็ยังชั่วหน่อยจิตฉลาดไปพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เราไม่ได้อาศัยมันตลอดไปอาศัยมันชั่วระยะบุญกุศลที่ทามาแต่ก่อน มันอำนวยผลให้เท่าไรเราก็ได้อาศัยมันไปเท่านั้นเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ทุดศทมใช้การไม่ได้เลยจำเป็นก็ต้องถอนตัวออกจากลางอันนี้อันนี้เป็นความจริงเลยประเดี๋ยวใครจะหีกเลี่ยงไม่ได้เลยนอก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะ ห่วงโลกอันนี้อยู่ทำไมอ่ะอยากแกมาเฝ้าโลกอันนี้อยู่งั้นเลยฮะคิดดูให้ดีพิจารณาดูให้ดีโลกนี้เป็นแต่ทางผ่านเท่านั้นเองมาเกิดแล้วหมดอายุหมดบุญแล้วก็ผ่านไปหาที่เกิดใหม่ บุญบาปนำไปอันนี้อ้าหมดบุญหมดกรรมที่เกิดที่นั้นแล้ววกก็กลับมาสู่โลกนี้อีกมาเฝ้าโลกนี้อีกอยู่มาเฝ้าอยู่แล้วแต่ามาเฝ้าไม่ได้อะไรอนนี้จะได้อะไรเรคิดดูให้ดี ไม่เห็นมีใครได้อะไรอ่ะว่าอย่างได้ก็ได้แต่บุญกับบาปที่ทำติดตัวไปบุญบาปที่ทำติดตัวไปอันนี้แน่นอนเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระอันหนักต่อชีวิตนี้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำจัดบาปออกไปสั่งสมบุญกุศลเข้าใจไว้พบบาปนั้นเป็นของหนักเมื่อบาปมันให้ผลแล้วมันหนักหน่วงชีวิตอันนี้นะอยู่ยังไงก็หนักหน่วงดูท้าคนเป็นโรคมะเร็งเหมือนนั้นเป็นไง โรคมันแรงโรคเบาหวานโรคเอเอหมอก็ไม่มียาจะช่วยอนีรกันหนักตึ่งเป็นภาระอันหนักต่อตัวเองตัวเองก็แบกเอาร่างกายอันบาปกรรมตกแต่งให้นี้ ไปจนกลัวจะหมดลมหายใจเข้าออกแต่ผู้ที่ไม่มีคำมีเวรเช่นนั้นหากว่าปล่อยมันให้เป็นไปตามธรรมดามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่นานปีนานเบื่เดือนนานวันไป ก็มีแต่ทุดโธมไปเนไม่เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรอ่ะกินนอนบริโภคกรรมกุลอันมูนี้ล้วได้อะไรอ่ะลงภาวนาลงเฮ่งดูให้ดีกินอิ่มแล้วภัยาต ย, ย่อยอาหารไปหลอเลี้ยงร่างกายเอากากมันปะทถ่เทออกไป อย่างนั้ น, นบกินไม่ก็ไปอีกเกิดมาแต่ละวันได้วันนวันเออก็เลยมาขนขวายหาท้งแต่อาหารโลดเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ไว้อพอประทังประทังไว้เพราะนั้นถ้าบุคคลไม่ ทำคุณงามความดีไม่ละความชั่วแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยร่างกายอันนี้ถ้าจะพูดอย่างง่ายง่ายอย่างคำสั้นๆอยู่เพื่อตายถ้าบุคคลไม่ประกอบกุศลคุณงามความดีมันก็อยู่ไปเพื่อรอท่าตายเท่านั้นเอง ควมตายมาถึงเมื่อไรแล้วก็แล้วกันไปดังนั้นพากันพิจารณาให้ดีผู้ใดมีโรคไครเบียดเบียนพิจารณาดูมันยิ่งหน้าเบื่อหน่าหยาไม่แต่อุปสรรคขัดข้อง ไอไหนมาหนหยอยู่อย่างแรกก็ไม่สะดวกสวยแต่ทุกขเวทนาบุคคลผู้มีกรรมมีเวณมีโรคภัยเบียดเบียนนี่แหละเรื่องสังขารมันมีแต่อุปสรรคอย่างนี้แล้วทำไมเราจึงจะไปยินดีพอใจกับมันอยู่ลักหนา นควรภาวนาควรพิจารณาให้เห็นนั่นเนี่ยเมื่อทำใจให้เป็นปกติได้มีปัญญาเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติอย่างนี้สิ่งใดเกิดขึ้นกดตามรู้ตามเห็นสิ่งนั้นตามเป็นจริง รู้ตามเป็นจริงกะจะมีอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็แปรพวนแตกดับไปก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วมันจะว่าสวยงามว่าว่าไม่สวยงามก็ตามนะมันก็มีแตกมีดับเป็นที่สุดก็มีเท่านั้นความจริงนะ ดังนั้นถึงแม้ร่างกายนี่มันจะมีโรคภัยเบียดเบียนอย่างไรอย่างไรเกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันจิตผู้อาศัยร่างอันนี้อยู่ก็ไปตามรู้ตามเห็นรู้ความจริงของมันมันเป็นอย่างไรก็รู้ความจริงของมันอย่างนั้นไปมันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเองเนะี่ย มันก็ไม่ได้บ่นว่าทุกข์ว่ายา ก, กว่าลำบากอะไรอ้าวมันจะเป็นก็เป็นไปก็ร่างกายอันนี้มันบังคับไม่ได้นะมันมันไม่เปียนไปตามใจหวังแล้วจิตไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังได้อย่างไรก็อันนี้มันเป็นความจริงอันหนึง่งเราต้องรู้อยู่เสมอ ต้องรับรู้ความจริงเหล่านี้เสมอไปถึงจะไม่ได้มรรคไดผลอะไรก็ตามแต่ขอให้รับรู้ความจริงของชีวิตนี้ไปเรื่อยๆนี่นับว่าเป็นหนทางดำเนินออกจากทุกข์ได้เพราะถ้าจิตไม่ห่วงอยู่ในรูปในนามนี้แล้ว มันก็ไม่ยึดถือกรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้แล้วกรรมชั่วก็เว้นไม่ทำกรรมดีมันทำทำแล้วแต่ก็ไม่ยึดถือว่าเป็นของเราทำกรรมดีทำบุญกุศลเพื่อเพื่อให้บุญกุศลขจัดกิเลสออกจากกิจใจเท่านั้นเองความหมายอ ไม่ได้ทำบุญเพื่ออย่างอื่นใดเพราะบุญนี้เป็นเครื่องกาจัด ก, กิเลสโดยตรงเหมือนกับยาที่หมอปรุงดีแล้วนั่นนะมันก็มีหน้าที่จะต้องกาจัดโรคในกายของคนโดยตรงเลยมันเป็นอย่างนั้นเราทำบุญไว้ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดเลยคิดดูให้ดี บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำบุญไว้เผื่อว่าตายไปจะได้มีความสุขจะได้อยู่ดีกินดีจะไม่ลำบากยาเกเย็นอะไรทำนองนั้นนะอันนั้นก็ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกตรงๆมันถูกโดยทางอ้อ ม, อมเพราะว่าถึงแม้จะได้อยู่ดีกินดี อย่างไรเมื่อบุญนั้นหมดลงแล้วก็ต้องกลับโคกเกวียนมาเกิดในโลกนี้อีกมาสวยสุขสวยทุกข์ในโลกนี้อีกนี่เราต้องพิจารณาให้มันถึงขั้นสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้นนแต่ถ้าเรามีเจตนาสร้างบุญกุศลเพื่อกาจัดกิเลสในหัวใจให้มันออกไปเบาบางไป ให้มันน้อยไปโดยลำดับอย่างนี้อย่างนี้ดีอ่ะถึงแม้มันจะเกิดอีกก็เกิดไม่นานทนีเพราะว่าเราสร้างบุญกุศลบุญกุศลมันกาจัดกิเลสบาปธรรมน้อยออกไปน้อยออกไปเสมอแล้วไอชาติความเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารมันก็สั่นเข้าสั่นเข้ามันก็ไม่ยืดออกไปอีกอ่ะเป็นงั้น เกืองมาน่ะบางคนอาจจะตกใจฮะโอ๊ยทำไมได้เกิดอีกแล้วมันจะไปทำยังไงอ่ะมันจะาความสุขมาจาไหนเนีคนไม่รู้มันก็ยอมตกใจทีนี้งั้นผู้รู้ท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะความไม่เกิดอีกนั่นแหละคือความสุข ผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้เพราะความไม่เกิดอีกมันไม่มีปัจจัยอันใดที่จะพาดวงกิตนี้ไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกหรือไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาได้ก็ก็อยู่ไม่ยังย่งยืนนาน หมดบุญแล้วก็เคลื่อนไปในที่อื่นไม่ใช่ได้อยู่ที่เก่าตลอดไปอันนี้จะไปเกิดที่ไหนก็าตามมันก็อยู่ได้ชระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรแม้ว่าเกิดเป็นคน จะมีเงินทองกายกองมากมายมีรูปสวยถูกงามอย่างไรอย่างไรก็ดีมันก็อยู่ไปได้ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่บางทีตนก็ตายจากสมบัติอนั้นปสไปซะบางทีสมบัติอ น, นันก็ถูกไฟไหม้น้ำท่วมชิบหายายดไป มันก็เป็นอย่างนี้อยู่โลกสันนิบาตในนี้ทุกคนก็ย่อมรู้ดีอ่ะ น, นั่นเนี่ยอันที่มันปรากฏอยู่นี่เพราะว่ามันสร้างขึ้นใหม่นะมันสร้างขึ้นใหม่ออย่างศาลาหลังนี้แต่ก่อนไม่มีอยู่ในทีน่นี้อันเมื่อคนมาอยู่แล้วก็เลยมาสร้างขึ้นใหม่อมาสร้างขึ้นใหม่แอท่านอยู่ไปนานไป มันก็แตกดับทำลายลงทำลดชุดโทมลงไปอย่างนี้แล้วก็พอได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็มาสร้างใหม่อีกอพีออยงนั้นไ อ, อ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันท่านเรียกว่าสังขารคือสภาพที่ถูกลงแต่งขึ้นมา ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วถึงเวลามันก็ดับไปอืมแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกถึงเวลามันแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนี้นะโลกสันนิวัตอันนี้อืมผลสุดท้ายนะแผ่นดินแม่นม้ววาําลมคลองหมนี้มันก็มีอายุจากัดเหมือนกันเนี่ยเมื่อมันหมดอายุของมันแล้ว มันก็เกิดไฟพะไรกันคือพระอาทิตย์ขึ้นมาสู่โลกนี้ถึงเจ็ดดวงเมื่อถึงเจ็ดดวงแล้วก็เกิดไฟพะไรกันไม่แผ่นดินอันนี้ไม่แผ่นดินไม่ต้นไม้ไม่น้ําอะไรเป็นพัทุรีไปเลยไอคนและสัตว์ก็ถูกไฟไหม้ตายผู้ใดได้บําเพ็ญฌานสมาบัติ ให้บังเกิดขึ้นแล้วตายแล้วไปเกิดพร ม, มโลกชั้นพรมชั้นอรูปพร ม, ม น, นั่นแหละถึงจะพ้นจากไหไหมัยนัน่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะลองคิดดูสิไม่ใช่ว่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ ม, ไมีเมื่อถึงการเวลามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปเรียกว่าศูนย์สิ้นไปอ้าวแล้วพอตั้งขึ้นมาใหม่อีกอย่างนี้แหละ เมื่อตั้งขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็มีแผ่นดินมีแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็มีคนมาเกิดอีกท่านกล่าวไว้ในตำราเนี่ยพวกพรมไฟไหม้ไม่ถึงเมื่อไฟไหม่แผ่นดินเป็นพัดทุรีไปแล้วฝนตกลงมาดับไปโลกทั้งโลกนี้มีแต่น้ำ น้ำก็เพื่อมไปก็เพื่อมมาเกิดเป็นลมบ้านี่ลมพัดน้ำน้ำก็ะเพื่อมไปก็เพื่อมมากระทบกันเข้านานเข้าน้ำก็ค้นเข้าค้นเข้ า, นขาในสุกเลยเป็นแผ่นดินทีแรกก็เป็นแผ่นดินอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมมีรสหวานอร่อยกิ่นกินง้วนดิน อันนี้นะกินงัวดินอันนี้แล้วก็หอมพมุ่งขึ้นไปสู่พมโรคนู่นพวกพรมถูกกินงัวดินก็พากันลงมาแบบนี้ลงมากินงัวดินนะนั่นกินงัวดินก็ติดรสดชาติของงัวดินเป็นฉะนั้น ติดรสชาติของงวนดินแล้วก็วนไปวนมาหิวแล้วก็มากินกันนานเข้านานเข้างวนดินมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นอาหารหยาบขึ้นไหมกรูปร่างกายของพรมมันก็หยาบขึ้นตามกันไปเป็นอย่างนั้นอาหารเข้านานเข้าในที่สุดแผ่นดิน ก็เลยแข็งกระด้างขึ้นมาเป็นแผ่นดินเหมือนแผ่นดินปัจจุบันนี่แหละนั่นนี่มันีผู้พรมที่เคยเป็นพรมธรรมดาพรมนี่ไม่มีรูปหญิงรูปชายฮะคันเมื่อเวลามากินง้วนดินอันยามๆยามนี่เข้าไปแล้วเพศผู้ใดเคยเป็นผู้หญิงไปตั้งแต่ เป็นมนุษย์นี่ก็กลายเป็นเพศหญิงขึ้นมาผู้ใดเคยเกิดเป็นเพศชายแต่แต่เสิเป็นมนุษย์ไปนี้ก็เกิดเป็นเพศชายขึ้นมาเมื่อเกิดมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาแล้วก็มันไม่มีผ้าหนุ่งผ้าห่มนี้อย่างนั้นเละในที่สุดก็เที่ยวพาราศีกันไว้ก็แต่งงานกัน พอแต่งงานกันแล้ววะนี้เ่มันเมื่อ ม, มันเกิดมีแผ่นดินมันก็มีต้นไม้บนี้เกิดมีต้นไม้ขึ้นมาแล้วกลับมกันหาเครื่องไม้เครื่องมือมาตัดไม้ฟันไม้เลื่อยไม้สร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาอยู่อาศัยอืก็เลยเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่ต้นพัทธกัพเนี่ยมามี พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเป็นพระพระเจ้าจักรพรดิราชทรงพระาพนามว่าพญามันธาตุราชทั้งนั้นพระเจ้าจักรพรดิราชนี้ครอบครองทั้ทงสี่ทำให้คนมีสินมีธรรมนั่นแหละไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้ว ต่อมาคนก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับไปแล้วเมื่อหมดอายุของพระยามรรพาตรุราชเข้าไปแล้วมบบนี้คนพูดที่มาเป็นราชามาหากษัตริย์ใหม่นี้ก็มีบุญน้อยถ้าเลยคนก็กิเลสหนาขึ้นอ่แต่ก่อนนั่นข้าวเกิด ขึ้นมาเองแล้วก็ไม่มีเปลือกมีแต่มเมล็ดแล้วก็ลูกโตเท่าลูกมะพร้าวแล้วว่าถ้าใครอยากมันก็กลิ่งไปหาบ้านนั่นเลยอธิษฐานเอาเลยอย่างนี้นานมานานมาคนมีเกลาดนาขึ้นแล้วมันก็สะสมไว้มากๆเข้าไปอมันก็ทำให้แย่งชิงกันบดนี้ เมื่อแย่งสิ่งกันเข้าไปแล้วมันก็เกิดมีการตั้งเจ้านายขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครควรจะได้ที่ดินแปลงไหนเพื่อรักษาข้าวสาลีไว้รับประทานก็มีผู้เป็นใหญ่น้นที่ประชาชนสมมุติตั้งขึ้นให้เป็น ผู้ตัดสินแบ่งปันที่ดงที่ดินเหล่านี้ให้แก่คนเหล่านั้นนั้นจึงได้นามว่ากษัตริย์แปบลบว่าเป็นผู้แบ่งปันเขตแดนให้แก่ประชาชน เ, เป็นอย่างนั้นไอความเป็นมาเบื้องต้นแห่งมนุษย์เราคอให้เข้าใจอยู่มากิเลสมันก็หนาขึ้นอ่ การที่ท่านบัญญัตสินห้าข้อไว้บางคนก็ทําตามบางคนก็ไม่ทําล่วงละเมิดเข้าไปก็มีการเบียดเบียนกันเข้าไปก็ทุกข์ให้แก่กันและกันมนุษย์เมื่อมีกิเลสหนาะขึ้นมาแล้วก็ก่อทุกข์ให้แก่กันและกันเบียดเบียนกันอผู้มีกิเลสน้อยก็ เบียดเบียนผู้อื่นแต่น้อยผู้เรียนมีกิเลสหลายก็เบียดเบียนผู้อื่นหลายเอออย่างนั้นน่ยเหตุนั้นโลกอันนี้มันจึงวุ่นวายหงายความโยแม้จะมาบวชอยู่ในวัดวาอารามซึ่งเป็นสถานที่สงบสงัดถึงกว่านี้ก็ดีคนส่วนหลายก็ยังแบกเอากิเลสติดตามตัวม า, อ, าอยังไม่ยอมลดละ ยังหาเรื่องกระทบกระทั่งกันอย่างนุ่นอย่างนี้ เ, เตือนกันหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะ่ขอให้เข้าใจเรามาอยู่ร่วมกันนี่ภาวณา่ต ก, กันละกันได้เลยถ้าฉันผิดพลาดอะไรลงไปเผยเลยอะไรก็ขอเมตตาตักเตือนด้วยจะได้สำรวมระวังต่อไป นี่ต้องพรวารณาต่อกันอยู่ใกล้กันร่วมกันถ้าไม่อย่างนี้แล้วต่างคนต่างแข่งกางไม่ยอมไม่ใครเตือนใครว่าใครมันก็เลยไม่หาความสงบไม่ได้เลยวันนี้มันเป็นย่งั้นแล้วก็จิตใจก็ไม่เข้าถึงธรรมถ้าเป็นเช่นนั้นนะแข่งกันร่างอยู่เป็นยงนั้นฉะนั้นจิตใจจะเข้าถึงธรรมได้ มันต้องวางลงมดเลยใครจะด่า ก, ก็ยอมให้ดา่าใครจะว่าก็ยอมให้ว่าใครจะทำอะไรก็ยอมไม่ทำเราจะเอาแต่ทาลูกเดียวทําที่เป็นกุศลอย่างเดียวที่อยู่ในใจเท่านั้นแหละจะไม่ให้มีอกุศลเข้ามาแทรกแซงนี่ใ้พากันทํานทในใจุดทนอย่างนี้ไอ้ใจที่เป็นบุญกุศลเน่ยมันไม่เอาเรื่องกับใครหรอก ใครจะว่าไงยังไงก็แล้วแล้วไปเพราะคนที่ยังมีกิเลสหนา ม, มันมีอยู่แม้จะเข้ามาบวชมาเรียนในพุทธศาสนาแล้วก็ยังละ ก, กิเลสไม่หมดไม่ได้ยังบรรเทากิเลสไม่ได้ก็มีฉะนั้นเราก็ต้องอนุโลมปฏิโลมกันไปอดออมเอากันไปเมื่อเขาได้ฟังคำสอนพุทธเจ้า ่าบอยเข้าไปเขารู้ตัวแล้วเขาก็จะละกิเลสให้เบา บ, า, บางออกไปจากจิตใจก็จะเป็นเพื่อนที่ดีกันต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อะโลกสนิวาสอันนี้นะเราจะพปหาเอาแต่คนดีๆมาอยู่ร่วมกันทั้งหมดจึงจะได้ไม่มีโลกสนนิวาสไม่มีเมื่อเรา คนส่วนมากที่อยู่ร่วมกันเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในใจคนส่วนน้อยเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีใจเราเขาจะแสดงความชั่วอะไรออกไปเราก็ไม่วั่นไหวก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปซะความชั่วของเขาก็ให้เป็นของเขาไปเราไม่เอามาเป็นของเราแล้วถ้าผูใ้ใดทำใจได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนะ ออก็อยู่กันสบายสบายแต่ส่วนมากมันทำไม่ได้นะมันขัดมันขุนเคืองในใจนู่นเมื่อเห็นคนคนนั้นคนแล้วอย่าจะต่อว่าอย่ากะละรานไปให้สมใจเครียดสมใจเกลียดใจชั่งมันไปอย่างนั้นคนส่วนมากนะนั่นขาดอะไรล่ะรู้ไหม ที่เป็นเช่นนั้นอ้าวมันขาดเมตตาธรรมเลยขาดการุณาธรรมอ่ขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมถ้ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่มันก็ไม่เป็นเช่นนั้นเห็นคนไทยแสดงอาการดุร้ายแสดงอาการไม่ดีออกมาเราก็สงสารโอ้คนภูณียังลกักกิเ็สไม่ได้ ยังเป็นผู้หลงไหลอยู่เนาททำอย่างไรเนอะเขาจึงจะรู้ตัว เ, ออเราก็คิดหาอุบายให้ใจ้เขารู้ตัวให้เขากลับจิตให้เขาทำจิตใจให้ดีให้มีคุณธรรมนี่เราอยู่ร่วมกันนีมันต้องมีนโยบายซักจูงกันให้เป็นคนดีเหมือนกัน แต่ธรรมดาผู้มีนโยบายอย่างนี้ต้องตั้งอยู่ในความอดความทนใครจะว่าอย่างไรกระทบกระทั่งมาก็ไม่หวั่นไหวเช่นนั้นมันจึงเป็นผู้นําหมู่ได้นะมันจึงมีนโยบายชักจูงผู้อื่นได้ถ้าเรามีนโยบายได้ชักจูงผู้อื่นเข้าไปเขาไม่พอใจแต่เขากระทบกระทั่งมาตัวเองก็เดือดร้อนเข้า ขืนเฉียว อ, อึดอัดเข้าไปมันก็ใช่ไม่ได้เราเสียหายทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างนั้นจงนั้นต้องให้เข้าใจไอ้ที่พูดมานี่หมายถึงว่าบุคคลผู้ภาวนายังเข้าถึงปรมาถธรรมไม่ได้ผู้ใดภาวนาอย่างจิตตรงไปถึงปรมาถธรรมแล้วเช่นนี้ ก็ยอมไม่เป็นเช่นนั้นอยอมพิจารณาลงไปเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นมาดีก็ดีชั่วกว็ดีก็พิจารณาลงไปเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปทุกสิ่งไม่มีตัวตนมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแจกดับไปเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้เสมอเสมอเรื่องอะไรเกิดขึ้น เราก็ลบทิ้งลงไปเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นลบทิ้งไปอย่าได้เข้าใจว่ามีตัวมีตนนี่ผู้ภาวนาถึงขั้นป ร, า ม, า ร, รมัตธรรมแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรอะ่ะไม่เดือดร้อนอะไรอ่แม้ภายนอกมันจะวุ่นวายเดือดร้อนก็ะั้ น, นมันในเรื่องของคนมีกิเลสอยู่นี่ไม่ให้วุ่นวายก็ไม่ได้มันจะมีแต่เมื่อได้รับ ฟังธรรมะคำสั่งสอนเข้าไปบ่อยเขาแล้วมันก็รู้ตัวกันวางคนนะรู้ตัวแล้วกับวันเทากิเลสลงได้นี่ก็อย่างนี้หลยอย่างที่เรามารวมกันอยู่แล้วมีระเบียบ ม, มีรายการฝึกขนอบรมกันเข้าไปมีการชี้แจงความบกพ่องของจิตใจ สู่การฟังอย่างนี้นะถ้าผู้ใดดูตัวเองได้เห็นว่าตัวเองบอกพ้องอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ตัวแล้วก็รีบกาหนดละมันอธิษฐานใจละมันเลื่อยไปข้าพเจ้าจะไม่ยึดมันถือมันเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีต่งตางๆ น, น, นานาเหล่านี้ใครจะว่าอะไรมาก็ตามจะไม่วันไหวและเราก็จะไม่ว่าอะไรให้ใคร ใครจะดีจะชั่วก็หายเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยตรงนี่ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจอย่างนี้ซ้อนใจตัวเองอย่างนี้เข้าไปผู้อื่นว่ามาเราก็จะไม่โกรธไม่ชุนเชียวแล้วเราก็จะไม่ด่าว่าใครแม้กระทบกระทั่งใครทําได้ไหมแบบเนี้ยนั่นแหละถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรม ก็ไปอยู่บ้านียดีกว่าไปทำสวนทำนากินซะดีค้าขายกินถ้าทำได้ควรควรอยู่ในเสนาสนป่ามันมันเข้ากันได้เสนาสนัป่ามันส ง, งบส ง, งัดภายนอกก็ดีนะเดีวตัวตัวผู้อยู่อาศัย เสนาสนป่านี่ยเาพยายามทำใจให้สงบสงดตรงไปให้สงบระงับลงไปลงไปจนเกิดปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวมีตนเป็นแต่ ส, สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เป็นแต่สภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรม ที่แต่ระบุคคลทำมาเท่านั้นเองไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยพิจารณาลงไปถึงกรมัถธรรมอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งไปเสมอนะนะให้ประการพิจารณาอย่างนี้นะอย่าไปเพียงแต่ภาวนาสงบใจซื่อๆ อ, อยู่แล้วไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลย เช่นนี้ล้กิเลสมันก็ไม่แห้งแล้วมันไม่แห้งกิเลสมันจะแห้งได้ก็เพราะว่าเมื่อจิตสงบอยู่แล้วมันมีเหตุกระทบกระทั่งมาจิตมันพูขึ้นแบบนี้เราก็จับเหตุอันนั้นแบบนี้จับเหตุที่มากระทบกระทั่งจิตนั้นอ๋อมันเหตุอันนี้มากระทบจิตให้พุ่งสัน้นอ้าเหตุนี้เป็นเหตุทั่ว ไม่ใช่ของดีไม่คนยึดคนถือเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไอ้ตัวเองสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อตอนเองรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยกว็าวางอ่าเปงนงั้นอย่าอย่านั่งส ง, งบจิตอยู่ ซ, ซื่อโดยไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรฮะคัอย่างนั้นนะมือเวลามีเหตุ ไม่ดีอะไรกระทบมาเอาแล้วตื่นเต้นวันไหวแล้วก็เขาว่าเราเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราเขาขม่มเมงเราอะไรต่ออะไรว่ากันไปแล้ววันนี้น ะ, ะนั่นเดียกว่าจิตใจได้ขั้นได้ถึงแพ้่ขั้นสมถะภาวนาเท่านั้นเองเป็นวยเพียงว่าอุบายทาใจสงบเท่านั้นแหละ ยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาภาวนาอืนถึงขั้นวิปัสนาภาวนาหมายความว่าเมื่อเวลาเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งจิตใจจิตใจก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องต่างๆนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่มีตัวตนอะไรดีก็ดีชั่วกว็ดีเกิดแล้วก็ดับไปอยู่นั้น ไม่ควรถือมันเราเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละผู้นั้นก็คลายความยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วนั้นออกจากจิตใจได้จิตใจก็ว่างแบบ น, นี้น ะ, ะว่างจากอารมณ์ต่งตางๆแล้ว <c oughs> ก็ได้ความสงบสบายสงบครั้งที่สอง เป็นความสงบอันละเอียดประณีตประณีตสงบด้วยปัญญาวิปัสนาสงบทีแรกด้นเพียงแค่ข่มใจลงไปเฉยไม่ทันได้พิจารณาเหตุผลอะไรต่ออะไรให้ให้แน่นอนอวันนี้เมื่อเวลาข่มใจลงไปสงบลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วบันนี้เวลามีอะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็หัดคิด หัดพิจารณาหาความจริงสาวหาความจริงมันอความจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็รู้ปะนี่โอ้ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรดอกทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ดีชั่วกว็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แพร่รูนแจกดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะที่จะมาเสียใจดีใจกับเรื่องเหล่านั้นไม่มี แต่ปัญญามัก็ถอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะอให้พากันเข้าใจอุบายอันนี้นะท่านเรียกว่าวิปัสนาภาวนาพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนาภาวนาให้เข้าใจ ถ้าจู๋ซื่อไม่ได้พิจารณาอะไรให้เห็นแจ้งอย่างนี้ได้แค่สมถะภาวนาไม่สามารถจะพงจะวางละความยึดความถือในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสังขารทั้งหลายได้เลยแบบนั้นนะการที่เราทำจิตให้สงบได้แล้วแล้วก็เกียมตัวมีสติสมสุทญนรู้จิต อ, อันเป็นปกติอยู่นั้นเสมอสมอไปเมื่อมีเรื่องไม่เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งจิตที่จะทาให้จิตแปลสภาพไปเป็นดีเป็นชั่วไว้อย่างนี้อา้าวลู่ตัวแล้วก็ไม่แปลไปตามใช้ปัญญาสอนจิตก็ไปเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นไปนอย่างนั้น ผลสุดท้ายมันก็ลงเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนอะไรปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตาดสว่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสสัมมาเดวะอสเวหีบิมุจติปัญญาอบรมจิตสอมจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตคือหลุดพ้นจาก อาสวะกิเลสน้วยใหญ่ทั้งมวลทางนี้ตกลงว่ากิเลสมันจะหมดไปหรือว่าจิตมันจะพ้นไปจากกิเลสได้เพราะอาศัยปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายนี่คอยพากันเข้าใจปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายจริงๆฉะนั้นอย่าไป นอนหลับพักสิตตัวเองอยู่พอเปล่เมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาจาับเอาเหตุเอาเพจเรณาให้มันเห็นแจ้งว่าไม่มีตัวตนอะไรเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งไปเรื่อยๆไปอันนี้ลับะเป็นหนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา ขอจบลงเพียงเท่านี้